และเคยได้ผ่านการปฏิบัติมีความรู้สึกเข้าใจในหลักการปฏิบัติเพียงใดแค่ไหนตามชั้นภูมิของตัวเองหลังด้านการเรียนปริยัติหรือการฟังเทศน์นี้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ฟังกันมามากและการปฏิบัติตาม ธรรมะที่เราฟังรเรียนรู้แล้วนั้นก็เข้าใจว่าจะมากพอๆกันดังนั้นแโอกาสนี้จึงใกล้ที่จะขอเชิญชวนบรรดาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจงงคำหนดจิตทางใจว่าฉันจะ ตั้งใจสมาธิให้ดวงจิตของฉ่านเป็นสมาธิสติพวังเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะทำตามความเป็นจริงแล้วก็รวมเอาความรู้สึกทั้งหมดไปรวมอยู่ที่ดวงจิต เนตเถงพระบรมมครูคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยภาษาบาลีว่าพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็นึกรวมลงที่จิตของเราว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิต เตัวรู้นึกคำว่าพุทโธนั่นก็คือพุท ธ, ธะรวมความแล้วว่าใครก็ตามที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบหรือรู้อยู่ในจิตของตัวเองผู้นั้นได้ชื่อว่ามีพุท ธ, ธะคือผู้รู้อยู่ในจิตของตัวของเรา แต่โดยธรรมชาติของพุท ธ, ธะที่ยังมีสิ่งมืดมันยังปิดบังอยู่คือกิเลสตัวผู้รู้ของแต่ละบุคคลจึงยังไม่เด่นชัดเพราะฉะนั้นเพื่อให้ตัวผู้รู้ของแต่ละท่านเด่นชัดขึ้นจึงมีอุบายวิธี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 อุบายดังกล่าวนี้เป็นอุบายที่ภาความรู้สึกของจิตที่มันแผ่ไปทั่วทุกทิศต่างๆในอารมณ์ต่างๆให้ลากจากสิ่งนั้นๆมารวมอยู่ในจุดเดียวคือพุทโธหรือจุดที่เพ่งนั้นและไม่เฉพาะแต่พุทโธหรือจุดที่เพ่งแม่คำอื่นเช่นยุบหนอพองหนอ หรือเกิดดับอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่ไปทำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบคือให้เพ่งอยู่ในจุดนั้นรดอรู้สึกเฉพาะในคำพูดเพียงคำนั้นเท่านั้นอันนี้คืออุบายในเบื้องต้นถึงแม้ว่าหลายหลายท่านอาจจะผ่านการบำเพ็ญภาวนามา มีภูมิจิตภูมิใจสูงยิ่งขึ้นไปกว่าระดับขั้นดังที่กล่าวแล้วกว็าตามที่นำมากล่าวอีกก็เผื่อเป็นการเตือนเตือนติดเตือนใจเตือนความรู้สึกของนักปฏิบัติทั้งหลายให้มีความรู้สึกมั่นคงต่อการปฏิบัตินั้นๆ บริกรรมภาวนาก็ดีหรือการพิจารณารมอันไดอันหนึ่งก็ดีแม้ว่าเราจะทำผ่านมาแล้วเราจะถือว่าเราผ่านขั้นนั้นมาแล้วไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำซ้าๆ ซ, ซากๆยู่ในระดับนั้นหรือขั้นนั้นนั้น ซึ่งเริ่มแต่จุดเบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดเบื้องปลายคือขั้นภูมิจิตละเอียดที่สุดตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางและก็เบื้องสูงสุดนั้นเราจะไปปล่อยทิ้งไม่ได้วิธีจิตที่เคยเดินเดินเดินมาในลักษณะอย่างไรเรามีความรู้ความเห็นอย่างไร เราจะต้องทบทวนสิ่งที่เราเคยผ่านนั้นเพื่อให้มีความชำนิชำนาญเพื่อป้องกันไม่ให้เราหลงผิดเข้าใจผิดบางท่านอาจจะสามารถทาภูมิจิตภูมิใจให้มีความรู้ในธรรมะขั้นละเอียดเราอาจจะมีความรู้ เราอาจจะมีความเห็นแต่ถ้าเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงกันจริงๆเราอาจจะไปยึดเอาแต่เพียงความรู้แต่ความเห็นเท่านั้นที่เราได้เราถึงว่าเป็นสิ่งที่เราสําเร็จแล้วแต่เรายังนึกยังขาดการนึกถึงอีกสิ่งหนึ่งคือความเป็น กาบรบรรลุธรรมของผู้ปฏิบัติต้องประกอบพร้อมด้วยลักษณะ3อย่างคือ 1. ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิต 2. ความเห็นคือเห็นด้วยกับความรู้นั้น 3. สภาพจิตที่เป็นหมายถึงการปล่อยวางประกอบพร้อมด้วยลักษณะทั้ง3อย่างนี้ จริงจะได้ชื่ว่าเรามีทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นทีน่ในสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเป็นแม้จะเป็นสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เราพิจารณาซ้ซําๆำ ซ, ซากๆอยู่นั้นมันก็เป็นอุบายที่จะทำให้สภาพจิตของเราเปลี่ยนแปลงขึ้นตามลําดับขั้นแห่งความสามารถ เราจะนั่นในหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยกล่าวแนะนำสั่งสอนหรหลักในพระสูตรต่างๆซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะได้เรียนมาแล้วเช่นอย่างในหลักของโพ่ชงมีปรากฏว่าภาวิตาพระหุรีกตาอปรมให้มากๆากระทาให้มากๆ ทำให้ทำนิชำนานนี่คือหลักการของท่านสำหรับฟันนี้อาตมะจะกล่าวถึงหลักการปฏิบัติเพียงแค่ขั้นอนุสติอนุสติคือการระลึก ในขั้นนี้จะยกเอาตัวอย่างแห่งการลเล็กถึงพระพุทธเจ้าคือพุทธานุสติมาพูดพอเป็นตัวอย่างการเล่กถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติซึ่งเป็นอนุสติข้อหนึ่งในอนุสติสิบ ท, ทีนี้เรามาเล็กถึงคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยคำว่าพุทธโธเป็นต้นได้ชื่อว่าพุทธานุสติทีนี้ถ้าเรานึกคำว่าพุทธโธพุทธโธซ้ำซ้ำอยู่อย่างนั้นกลายเป็นการภาวนาหรือการอบรมจิตเพื่อจะให้จิตของเรามาติดอยู่กับคำพูด คือคำว่าพุโทโธเพียงคําเดียวอันนี้เป็นอุบายในเบื้องตน้นทีนี้ขอให้ท่านลองสังเกตดูว่าเมื่อท่านนึกถึงคาว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธติดติดกันโดยไม่ปล่อยให้มีช่องว่างจิตของท่านสามารถที่จะคิดถึงสิ่งอื่นได้ไหม ในเมื่อท่านเลืกพุโทโธติดติดกันให้ทียิบเข้าใจว่าคงไม่มีโอกาสที่จะส่งกระแสไปในทางอื่นได้เว้นเสียแต่ว่าท่านอาจจะเผลอไปสักพักหนึ่งแล้วจิตของท่านอาจจะลืมคาว่าพุโทโธแล้วส่งกระแสไปในทางอื่นเมื่อท่านรู้สึกตัวแล้ว ก็เอามานึกไว้ที่พุโทโธตามเดิมเมื่อจิตของท่านเผลอไปนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไรท่านก็เอามานึกไว้ที่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธตามเดิมและพุโทโธนี่ท่านสามารถที่จะนึกได้ไม่เฉพาะแต่เวลาที่ท่านมานั่งหลับตาอยู่ในขณะนี้เท่านั้น แม้ท่านจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำอะไรอยู่ท่านนึกได้บางท่านอาจจะคิดว่าเดินนึกพุโทโธกลัวจะเป็นบาปนอนนึกพุโทโธกลัวจะเป็นบาปอย่าไปเข้าใจผิดเราสามารถที่จะนึกพุทโทได้ทุกการทุกเวลาทุกสถานที่ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนๆเรานึกได้ทางนั้นเไียว่านึกได้ตลอดเวลาก็แล้วกันท่านตั้งใจที่จะนึกนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธเอาไว้อย่างนั้นในเมื่อนึกพุโทโธอยู่ตลอดเวลาเจตมันไม่สงบเป็นสมาธิไม่นิ่งไม่สว่าง อย่างที่แบบแผนาำลับตาราท่านกล่าวไว้มันจะได้ประโยชน์อะไรมันได้อยู่ตรงที่ว่าท่านสามารถที่จะพุโทโธสกัดกั้นความคิดเอาไว้ไม่ให้ปล่อยความรู้สึกในคิดไปสร้างบาปสร้างกรรมอย่างอื่นหรือให้ความคิดที่เราเรียกว่าความคิดชั่วความคิดไม่ดีนั้นมันน้อยลงแม้จะโดยความตั้งใจก็ตาม เนี่เราเอาผลกันเพียงแค่นี้ก่อนทีนี้ <c oughs> ถ้าต่างว่าเรามาภาวนาแต่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถที่จะทำจิตให้ดำเนินไปสู่ขั้นวิปัสสนากรรมฐานได้หรือไม่ อันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติทั้งหลายพึงมีความสงสัยกันมากเหลือเกินอัตมาเขาบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างจิตจะสงบลงได้เพียงแค่ขั้นอุปจาระอุปจารสมาธิเท่านั้น คำบริกรรมภาวนาว่าพุโทโธพุธโทโธเลยอยบหนอพองหนอก็อตามเมื่อซ้ํา้ำซากๆอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆคือมันมีอาการโว้บวาแล้วก็สงบลงไปสว่างขึ้นคำที่ท่านคาบริกรรมภาวนาที่ท่านนึกอยู่นั้นมันจะหายไปทันที ในเมื่อคำว่ายบหนอพองหนอก็ดีพุทโธก็ดีหายไปในขณะที่ท่านมีอาการรู้สึกเคลิ้มๆ ล, ลงไปคล้ายกับจะนอนหลับในตอนนี้จิตมันยังไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิเป็นแต่เพียงเริ่มจะเป็นอุปจารสมาธิเท่านั้น เราฉะนั้นบริกรรมภาวนานี่เป็นแต่เพียงสื่อยังจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบเพียงแค่ขั้นรู้สึกเคลิมๆเหมือนจะนอนหลับแล้วคำภาวนานั้นก็หายไปใครจะบริกรรมภาวนาอะไรก็ตามส่วนมากจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น ที่นี้มีปัญหาว่าเมื่อคำบริกรรมภาวนานั้นหายไปแล้วต่อไปนั้นท่านจะท่านควรจะทำอย่างไรอันนี้ท่านพึงสังเกตจิตของท่านให้ดีถ้าหากว่าจิตท่านลงไปนิ่งว่างสว่างอยู่เฉย หรือไม่สว่างก็ตามในตอนนี้ถ้าหากท่านสามารถน้อมจิตไปสู่ลมหายได้ก็เรียบน้อมจิตไปสู่ลมหายใจทันทีคือกำหนดโลลมเข้าลมออกดูลมหายใจเข้าหายใจออกเถอยอยู่ เพียงจะรู้ว่ามีลมหายใจเท่านั้นอย่าไปนึกว่านี่ลมหายใจเข้าสั้นนี่ลมหายใจออกสั้นนี่ลมหายใจเข้ายาวนี่ลมหายใจออกยาวเป็นต่เพียงทำความรู้อยู่ในทีเมื่อลมหายใจเกี่ยวข้องกับร่างกาย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 ถ้าจิตมันทรงอยู่ในความสว่างแล้วรู้สึกมีปีติก็ให้กำหนดรู้อยู่ที่จิตยอย่างเดียวเท่านั้นเว้นแต่ว่าจิตมันอาจจะถอนหรือส่งกระแสไปในทางอื่นถ้าท่านไม่รีบปริกรรมภาวนาอีกก็กำหนดจิตน้อมไปสู่ลมหายใจ เอาลมหายใจเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องละเล็กของสติหรือในช่วงนี้บางท่านอาจจะน้อมจิตไปเพ่งพิจารณาอาการ32สองคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเพ่งไปในแง่แห่งกรรมาฐานคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลหน้าเกรดโศครกไม่สวยไม่งาม พิจรารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นในเมื่อท่านมายึดเอาลมหายใจหรืออาการสามสิบสงเรียกว่ากายาคติกายาคตาส ต, าติมาเป็นเครื่องรู้ของจิตมาเป็นเครื่องระลึกของสติกรรมาฐานทั้งสองอย่างนี้จะเป็นอุบายนําจิตของท่านให้ดำเนินเข้าไปสู่ อัปปนาสมาธิหรือถึงขั้นสมาถากรรมฐานแต่บางท่านอาจจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเป็นตน้นเมื่อมีอาการเคลิ้มเคลิ้มลงไปแล้วจิตก็เริ่มสงบพูกพวกวกพลงไป แล้วก็เป็นนิ่งสว่างเร็ววาจิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเร็วจนเกินไปถึงขนาดที่เราไม่สามารถที่จะกาหนดรู้ปีติและความสุขได้จิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเร็วเกินไปมันก็เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยๆ อันนี้ต้องพยายามทำบ่อยๆจนกว่าเราจะสามารถกําหนดเริ่มต้นตั้งแต่วิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคาตาฝึกหัดจิตให้ดำเนินตามวิถีแห่งองค์านทั้งห้าจนชำนิชำนานแม้ว่าม้าที่จะทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิถึงขั้นสมาถะา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 ยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งว่างสว่างอยู่อย่างเดียวเท่านั้นจิตที่เป็นอย่างนี้ส่วนมากย่อมจะไม่เกิดความรู้ย่อมจะไม่เกิดสติปัญญาขึ้นมาในขณะที่จิตมีสภาพเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องอีกทีนี้ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เพียงแค่การบริกรรมภาวนาจิตจะสามารถดำเนินไปสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างไรเอาล่ะสมมติว่าเราเพียงแต่บริกรรมภาวนาให้จิตสงบนิ่งให้จิตสงบนิ่งทุกๆุกครั้งจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธินี่บางท่านก็ว่จาจิตถึงขั้นที่สี่ บางท่านก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเฉยๆบางท่านก็เรียกว่าอัปปนาจิตอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานอัปปนาจิตโดยธรรมชาติแล้วจิตไม่เกิดความรู้ในขณะนั้นเพราะจิตไรสมรรถภาพในการที่จะคิดโดยประการทั้งปวงอันนี้ขอให้ท่านผู้ปฏิบัติพึงสังเกตให้ดีในตอนนี้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 ก้าถอยขึ้นมาสู่ภูมิแห่งอุปจารสมาธิจิตอยู่ในภูมิอุปจารสมาธินี่เจตย่อมมีความคิดในเมื่อจิตเกิดมีความคิดขึ้นมาในขั้นนี้ผู้ ภ, ภาวนาย่อมจะสามารถน้อมจิตได้พอจิตถอนจากอัปปนาสมาธิมีความคิดเกิดขึ้น ก็กำหนดรู้ตามความคิดนั้นเราคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้อย่าปล่อยโอกาสเจ็ 7. มันจะคิดเรื่องดีก็าตามคิดเรื่องชั่วกว็าตามเราต้องกำหนดทำสติรู้ตามความคิดนั้นไปเรื่อยๆอย่าไปละโอกาส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 เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแม้จะเป็นนามธรรมาก็ตามก็สามารถที่จะทำให้สติกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้ในเมื่อสติตัวนี้ตามทันความคิด จนกระทั่งสามารถรู้เท่าทันความคิดรู้สึกว่าคิดสักแต่ว่าคิดรู้สักแต่ว่ารู้คิดแล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเมื่อเจตตามรู้ตามเห็นความคิดไปอย่างนี้เจตเอาความรู้ความคิดเป็นเครื่องรู้ สติเอาความรู้ความคิดเป็นเครื่องละล็กในเมื่อจิตกับสตินี่ตามทันกันเข้าสติกลายเป็นมหาสติสติกลายเป็นสติพละก็สามารถที่จะยังจิตให้สงบลงไปอีกกลายเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิพละในเมื่อจิตสงบลงไปแล้ว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 ยกตัวอย่างเช่นอย่างบางท่านที่ภาวนาโพธิ์โทโพธิ์โทโพธิ์โทโพธิ์แล้วในขั้นต้นเขาสามารถทําจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรเพราะจิตมันถอนออกจากสมาธิมาเลย ในเมื่อทาหลายครั้งหลายหนเข้าจิตก็สงบเป็นอัปปนาสมาธิบ่อยเข้าบ่อยเข้าในเมื่อจิตสงบบ่อยๆเข้าจิตก็มีกำลังมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะดีขึ้นเมื่อสมาธิถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอเกิดความรู้สึกมีความคิดขึ้นมาเท่านั้น จิตสามารถเกิดภูมิความรู้เกิดปัญญารู้อะไรแปลกๆขึ้นมาความรู้พลั่งทูออกมาจนไม่สามารถที่จะกําหนดตามทันความรู้ได้ก็มีทีนี้ในเมื่อภูมิความรู้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ถาสติกับจิตมันตามทันกันตามทันความรู้ที่เกิดขึ้นมาภายในจิต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 ใคร่ี่จะขอให้บรรดาท่านทั้งหลายที่ยังสงสัยอยู่ว่าบริกรรมภาวนานี่จิตเป็นได้เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาพุโทโธนี่มีผู้กล่าวนักตาว่าภาวนาพุโทโธอย่างดีจิตก็ได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานกาลังมีสติ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 ทีนี้ในเมื่อภูมิความรู้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ถ้าสติกับจิตมันตามทันกันตามทันความรู้ที่เกิดขึ้นมาภายในจิตมันก็กลายเป็นภูมิบิปัสนาภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตการอธิบายนี้การใช้คำพูดอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงอาจจะกระท่อนกระแท่น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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาพุโทโธนี่มีผู้กล่าวนักตาว่าภาวนาพุโทโธอย่างดีจิตก็ได้แต่เพียงแค่ขั้นสมฐฐถกรรมฐานจจงใครที่จะขอร้องให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้ช่วยพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้มันรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ว่าบริกรรมภาวนาเนี่ย จิตมันจะเป็นเพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานเท่านั้นหรือแต่อัตม า, าขอให้ในาเอาไว้ว่านับบริกรรมภาวนาทั้งหลายถ้าหากเราจะพากันโง่หมดทุกคนบริกรรมภาวนาแล้วจิตมันก็เป็นเพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นเพราะในหลักวิชาการท่านก็ว่า อนุสติสิปเป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานในเมื่อเรามาบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือคําว่าพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นมันก็เป็นการปฏิบัติตามอารมณ์ของสมถะกรรมฐานไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันไปสืบดูว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างเท่าที่มีในคัมภีร์ในตำรับตารานั้น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 พระอรหัตอรหันทั้งหลายไม่เคยเถียงกันเพราะเรื่องการปฏิบัติในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาไม่มีมีแต่ปุตตูชนเท่านั้นเขาเถียงกันแต่พระอรหัตอรหันไม่เถียงกันอันนี้ขอฝากบรรดาท่านทั้งหลายไว้พิจารณาเอาละการกล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลา ตอบปัญหาวันนี้รู้สึกว่าปัญหาที่ท่านถามมามากเลยเกินแต่ไม่ทราบว่าจะตอบไยหรือเปล่าปัญหาข้อแรกนี่ขอตอบปัญหาข้อแรกที่มีคำถามว่านิพานาังปรมังสุขขังหมายความว่าอย่างไร ต่างกับนิพพานังปรมังสุญญ์อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาที่นึกขึ้นมาแล้วก็ถามนิพพานังปรมังสุขขังเป็นภาษาบาลีเมื่อตอบออกมาก็คือว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานังปรมังสูญอย่างพระนิพพานแปลว่าพระนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งหรือสูญอย่างยิ่งความหมายของคําโพู์ก็ต่างกันอยู่แล้วอันหนึ่งหมายถึงความสุขอันหนึ่งหมายถึงความสูญคือสูญเปล่าไม่มีอะไร ทีนี้ปัญหาที่น่าจะสงสยัยก็อยู่ตรงที่ว่านิพพานังปรมังศูนย์อย่างเราเข้าใจว่าพระนิพพานนี่ศูญเพราะว่านิพพานะก็แปลว่าดับพึงทําความเข้าใจว่าคำว่าดับนี่เป็นอาการดับของกิเลส กลตัณหามาเนธิอวิชาดับหมดแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่การดับนั้นอาตมาได้ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณาในการมาเทศคราวก่อนว่าสิ่งที่เหนือการดับนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเราไว้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรอาตมาก็เลยขอฝากท่านผู้ฟังไว้ให้ช่วยกันพิจารณา ได้คําถามด้วยว่านิพานังปรามังสุขขังพระนิพพานสุขอย่างยิ่งกับนิพานังปรามังศูนย์อย่างพระนิพพานเป็นว่างอย่างยิ่งอันนี้ความแปลคําแปลก็มีความหมายส่อความต่างกันอยู่แล้วอันหนึ่งหมายถึงความสุขอันหนึ่งหมายถึงความศูนย์คือศูนย์เปล่าคือมันศูนย์ศูนย์จากกิเลสตัณหามารคทิฏฐินั่นเอง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 ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่ซึ่งเป็นชานที่นักภูมิจิตของนักปฏิบัติจะต้องผ่านได้ะจะต้องศึกษาให้รู้ให้มีความเข้าใจบ้างพอสมควรฌานอันเป็นปฐมบาตแห่งวิปัสนามีอยู่สี่ขั้นเรียกว่าปฐมฌ า, านผู้ติยฌานตติยฌานจะตุถยฌาน แปลออกมาเป็นภาษาไทยว่าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สฌานที่หนึ่งมีวิตกนึกถึงอารมณ์มีวิจารจิตกับอารมณ์แนบสนิทกันจนเกิดความซึมซาบเกิดปีติแล้วก็มีความสุขในเมจิตของผู้ดำเนินฌานมีปีติและความสุขเป็นเครื่องเหลาเลี้ยงจิต จ็ดก็ไม่กระวนกระวายบ่ายหน้าเข้าไปสู่ความสงบ <c oughs> แล้วก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัะคตาอยู่พร้อมอันนี้เป็นทานขั้นที่หนึ่งทานขั้นที่สองปล่อยวิตกวิจารณ์ยังเหลือแต่ปีติสุขเอกัะคตาทานขั้นที่สามปล่อยปีติคือวางปีติยังเหลือแต่สุขกับเอกัะคตา ทานขั้นที่4สุขหายไปยังเหลือแต่เอกขัตตาคือความเป็นหนึ่งกับอุเบกขาคือความวางเฉยของจิตที่ในจิตของท่านพูดที่อยู่ในชั้นขั้นที่4เนี่ยเป็นคำตอบของปัญหาข้อหนึ่งที่ว่าจิตอัปปนาสมาธิคืออะไรเป็นอย่างไร จิตของผู้ที่อยู่ในฌานขั้นที่สี่นี่คือจิตของผู้อยู่ในอัปปนาสมาธินั่นเองลักษณะของจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิกับฌานขั้นที่สี่ผู้ภาวนาจะปรากฏว่ามีความรู้สึกในจิตมีแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่กายไม่ปรากฏว่ามีอยู่ในความรู้สึกอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สี่ปัญหานีวาน่านิมิต นิมิตกับความรู้แจ้งเห็นจริงต่างกันอย่างไรนิมิตแปลวล่าเครื่องหมายถ้าผู้บริกรรมภาวนาพุโทโธจิตอุูติดอยู่กับพุโทโธอยู่จนเหนียวแนนเรียกว่าจิตเอาพุโทโธเป็นนิมิตเรียกว่าบริบริกรรมนิมิต ท, ทีนี้นิมิตตามความเข้าใจของผู้ถามนี่ <c oughs> เข้าใจว่าคงจะหมายถึงนิมิต ท, ที่เราบริกรรมภาวนาหรือภาวนาอันใดก็ตามในเมจิตมีลักษณะเคลิ่มเคล่ลงไปแล้วกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกแล้วก็มีภาพต่างๆเกิดขึ้นในความรู้สึกจะเป็นภาพคนภาพสัตว์หรือภาพอะไรก็แล้วแต่อันนี้มา อ, อั น, นอันนี้เรียกว่านิมิต ท, ทีนี้ส่วนความรู้แจ้งนั้นความรู้แจ้งเห็นจริง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 ในเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิได้แล้วท่านก็รู้ึกวาจิตของท่านสงบนิ่งเป็นสมาธิแต่องค์ประกอบของความที่จิตเป็นสมาธิอย่างแ ท, แท้จริงนั้นจิตจะต้องนิ่งแล้วมีความสว่างเป็นเครื่องหมายทีนี้เมื่อจิตของท่านสงบนิ่งลงไปแล้ว ท่านก็เห็นจริงว่าสมาธิคืออะไรได้จิตเป็นสมาธิคืออะไรอันนี้เรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วก็รู้แจ้งว่าสมาธิคืออย่างนี้เรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงกำหนดเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าข้อแตกต่างระหว่างสมาธิ ก, กับวิปัสสนา อันได้แก่องค์ภาวนาเช่นพุทธโธพองหนอยบหนอที่เข้าใจว่าเป็นหนทางพระอธาจาราถาาจารย์สั่งสอนมาทำไมจึงไม่นำพุทธพจน์นั้นมาเป็นองค์ภาวนาบ้างเช่นนาทิสันติปรมังสุ ข, ขังนิพานังประมังสุญอย่างเป็นต้น อันนี้มีความสงสัยเรื่องสมถะ ก, กับวิปัสนาอันได้แก่องค์ภาวนาเช่นพุโทโธยบหนอพองหนอเป็นต้นพุโทโธก็ดียบหนอพองหนอก็ดีทั้งสองอย่างนี้เป็นอารมณ์ของสมถ ก, กรรมาฐานตามหลักสูตรทีนี้ผู้มาภาวนาพุโทโธพุโทโธก็ดียบหนอพองหนอก็ดี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 ในขั้นนี้เรียกว่าจิตเดินอยู่ในขั้นสมถาะาที่ในความที่จิตสงบนิ่งลงเป็นสมถาาะจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าสมถะจิตรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไรหรือรู้ว่านี่คือสมาธิเป็นความเห็นแจ้งหายสงสัยรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยในเรื่องสมาธิ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 เรากำหนดภาวนาคำใดคำหนึ่งโดยไม่กำหนดหมายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ใดที่หนึ่งภายในกายเช่นลมหายใจเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วพอจิตมีอาการเคลิ้มเคลิ้มสงบผว่างลงไปเพราะเราไม่มีที่กำหนดหมายภายในภายในกายเมื่อจิตสงบลงไปแล้วกระแสจิตมักจะส่งออกไปข้างนอก แล้วก็ไปเห็นนิมิตต่างๆเช่นภาพคนสัตว์หรือเทวดาบางทีอาจจะหลงไปเที่ยวนรกสวรรค์อยู่ก็ได้ทีนี้ถ้าหากเรากําหนดส่วนใดส่วนหนึ่งภายในร่างกายเช่นจะกลลําหนดโูดลงที่ลมหายใจในที่นี้ขอแนะนําให้กลลําหนดโูดลงที่ลมหายใจเป็นส่วนสําคัญยิ่ง เพราะลมหายใจนี่เป็นกรรมฐานที่ไปแทรกอยู่ทุกกรรมฐานถ้าจิตดวงใดภาวนาแล้วกาหนดรู้ลงที่ลมหายใจเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตปล่อยคำภาวนาแล้วจิตจะยึดเอาลมหายใจเป็นสื่อนำจิตเข้าไปสู่ความสงบละเอียดยิง่งเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปแล้ว ในขณะที่กายยังปลากฏอยู่จิตจะวิ่งเข้าไปลู่ภายในกายได้ดีในบางครั้งจิตอาจจะไปสงบนิ่งอยู่ในส่วนกลางของกายแล้วก็ส่งกะสระแสส่องทะลุกออกมาข้างลอกทำให้ผู้ภาวนานั้นเห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้ง่ายขึ้นในแง่อสุภกรรมฐานจะทราบได้อย่างไรว่าทำสมาถะ ถ, ถึงขั้นอัปปนาแล้ว อันนี้ได้ตอบแล้วว่าสมาธิขั้นอัปปนาเรียกว่าสมถะวิธีสังเกตก็คือว่าเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วนี่วรห้าหายไปหมดกามฉันทะพยาบาททนะมิธาอุทะจักุกุจวิขีกิจฉาความลังเลหายไปหมดยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวอันนี้เรียกวา่าจิตถึงอัปปนาสมาธิแล้ว หรือเรียกว่าขั้นสมถะเมื่อพบว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่สัมมนาแก้ไขอันนี้เป็นนั้นว่าเมื่อเห็นปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออมติและความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติถูกต้องตรงกัน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 ทำให้จิตใจมีความสงบสว่างเยือกเย็นทำให้เราหมดทิฏฐิมานะหมดกิเลสหมดความถือตนถือตัวสามารถที่จะปรับปรุงตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมใ้ความเห็นและผลของการปฏิบัตินั้นเป็นการถูกต้อง <c oughs> <c oughs> อปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องอดีตการหมายถึงปุเพนิวาสานุสติญาณ ถามว่าความเห็นอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่อันนี้เพิ่งขอให้คติเตือนเอาไว้ว่าเรื่องปุเพนิวาสานุสติยานีได้โปรดกรุณาระมัดระวังและก็อย่าเพิ่งไปเชื่อส่วนมากปุเพนิวาสานุสติยานีบางทีมันมันโกหกหรือมันแก้ก็ได้ บางครั้งท่านพูดเคยไปที่วัดป่าสรวัตรเคยยกตัวอย่างเล่าตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆเราฉะนั้นความเห็นด้วยความรู้ในเรื่องอดีตชาติเนี่ยเอาไวร้รู้แล้วก็พิจารณาให้มันถี่ทวนความรู้อันใดที่เรายังมีความสงสัยข้องใจอยู่พึงสนนิฐานเถิดว่าความรู้อันนั้นมันยังไม่แน่และยังไม่จริงเท่าที่ควร ความรู้แจ้งเห็นจริงจะ ต, ต้องทำให้ผู้รู้หายสงสัยปัญหาขอ้อนี้การฝึกนั่งสมาธิโดยการนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งอยู่ประมาณ10บนาทีเกิดอาการชาที่เท้าทั้งสองข้างควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้ถ้าทนไม่ไหวก็เปลี่ยนอิริยาบทได้การทำสมาธินี้เป็นกิริยาของใจ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 อันนี้เป็นปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับการที่จะไปพักผ่อนบาเพ็ญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดป่าสารวันขอภาวณาต่อที่ประชุมนี้ว่าเพื่อว่าท่านผูดด้ใดมีความประสงค์ที่จะไปพักผ่อนบําเพ็ญภาวนาเพื่อจะไปดูป่าธรรมชาติซึ่งยังเหลืออยู่แห่งเดียวในบริเวณนครราชสีมา จะมวพักภาวนาอยู่ที่นั่นจะไปกี่วันกี่คืนเป็นเดือนก็ได้จะบอกกลวงหน้าหรือไม่บอกกลวงหน้าก็าไม่เป็นไรเรามีที่พักพอที่จะให้พึ่งพาอาศัยได้ <c oughs> การกําหนดยุกหนอพองหนอความจริงการกําหนดยุกหนอพองหนอนั่นเป็นเป็นการกลลําหนดรูอาการของลม ในหายใจเข้าไปสูดลมเข้าไปทำให้ท้องมันพองเวลาปล่อยลมออกทำให้ท้องมันยุกก็เป็นอาการเข้าออกของลมที่นี้ในเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วจิตก็ไปรู้อยู่ที่ลมหายใจการทำอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นความว้าวุ่นหรือว่าเป็นความยุ่งเหยิงในการปฏิบัติโดยธรรมชาติแล้ว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 มันจะเกิดความโูภขึ้นมาเมื่อเมื่อไรเวลาไหนก็ปล่อยให้มันมีความโูภไปอย่าไปฝืนมันเพราะเราอบปลมมามันเกิดภูมิความโูภขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วจิตมันกําลังจะปฏิวัติไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมถ้าเราไปฝืนมันแล้วมันจะเกิดโทษถ้ามันต้องการจะสงบเราฝืนไม่ให้มันสงบมันจะเกิดโรคปวดศีรษะทีนี้ถ้ามันอยากจะรู้เราฝืนไม่ให้มันรู้มันโรคฟุ้งซ่านเดี๋ยวจะคุมมาอยู่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 จะเป็นคำพูดคำไหนก็ได้ทีนี้เราจะมาพูดโธพูดโธพูดโธแล้วมาเปลี่ยนเป็นยกหนอพ่องหนอก็แล้วแต่จังหวะหรือเราอาจจะหาคำอื่นที่เรานึกว่าดีกว่านี้มาว่าก็ได้ขอให้เป็นคำบริกรรมภาวนาก็แล้วกันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นการผิดหรือท่านจะตำหนิว่าเปลี่ยนบ่อยๆนักมันทำให้จิตมันเปลี่ยนความรู้สึกอยู่เรื่อยจิตมันจะไม่สงบ หาท่านสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็เอามันซะอย่างเดียวจะเป็นคำไหนก็ได้ทาอย่างจริงจังโดยปราศจากความสงสัยเนื่กว่าคําบริกรรมนีแหละจะช่วยให้จิตของเราสงบแล้วก็ว่ากันไปจะเอาพูดโธ่พูดโธก็ได้ยุบนอพองเนอก็ได้ทั้งนั้นการหลับตาเพ่งระยะหนึ่งจิตเห็นดวงไฟสีแดงปรากฏชัดจึงเพ่งดูต่อไป แต่แล้วนานลานเข้าดวงไฟสีแดงนี้ก็ค่อยหายไปเมื่อหายไปแล้วเพ่งอีกก็ไม่เห็นดวงไฟที่กล่าวนี้อีกเลยอยากทราบว่าที่เห็นดวงไฟสีแดงนี้คืออะไรการหลับตาเพ่งในเมื่อหลับตาเพ่งลงไปแล้วม <c oughs> องเห็นดวงไฟดวงไฟนี่มันเกิดเป็น ความรู้สึกเขียนในช่วงขณะหนึ่งเช่นเราอาจจะมองโดแสงสว่าง